พระธรรมเทศนาแผ่นที่63าลำดับที่25โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่18กรกฎาคม2557มีชื่อเรื่องว่าหลวงปู่แหวนเล่าความหลังให้ฟัง ก็คือเป็นนัดคณะส่งหลายจังหวัดเข้าไปฆรวะพร้อมกันมื่อเอินมื่อในวันที่18เมื่อเอ่นแต่หลวงพอ่อคงโบเข่าไปหลวงพ่อจะให้ท่านรุ่นให้ท่านรุ่นท่านเสี่ยงท่านต่ําเลือกพระไปนะเอารถตู้ไปขั้นนั่งนั่ ง, งเต็มรถตู้นั่นแหะให้พ่อหน่อยเป็นผู้ครับเข้าไปให้ละมัดระวังคอยไปคอยมานะเราไป ถ้าเป็นอะไรให้หนูผัดเตรียมเครื่องคารวะทั้งอุดอรก็แหละให้ไผ่เอามาส่งยุบันตาดจกขันหนึ่งนะขันดอกไม้ขันจะให้เกิดพบนาชาตนาขันจะ ง, ง่ามก็ อ, อามันง่ามเนละยเอ็ดมันง่ามขันบอสเนี่เอาพบอะไร้วกนั้นเอากีายก็ได้ จะสั่งให้ทั้งอุดรเขาเหตุให้กั น, ด, นดอกไม้ให้พกพระเพิ่นไปคารวะกันผวกญยาดโน้มสิไปกับสุดแทนแต่วันลุ่มวันที่สิบสองวันที่สิบสองลงพอสิไปสิบสองสิงหาเนะี่ยเป็นวันแต่แตะกอนเนี่ยลงพอไปอยู่พอลงตา ย, ยังทรงถาดคันอยู่เนะ่ะเมื่อนี่ยลงพอกับไปวันที่สิบสองลงพอกับไปอีก ว่ไปเป็นทางการแต่บัดเนี่หลวงตาบระยูแล้วจะไปวันที่สิบสองสิงหาเลยแหละเป็นวันเกิดของหลวงตาแล้วก็เป็นวันที่เขาไปคารวะลูกเหมือนของหลวงตาจะไปเป็นองค์แรกจากนั้นก็จะไปองค์อื่นจะเข่าทางวัดโพ่แล้วก็วัดหลวงปู่บนมีหลวงปู่ ลี่ลงปูถ้วยไปละบันเีแต่ว่าอันทับแรกคือนี่ล ะ, ะกราบให้พวกพระไปคาวะพร้อมกันไปกับคณะสงฆ์คณะสงฆ์ข้าวนี่จะหลายจังหวัดนะมีอุดรห น, นองคายสกลนครบึงการน้องบวรําพูจังหวัดเลยจะขามาพร้อมกันมืออื่นเขาไปคาวะ ลูกเมือนของหลวงตาแต่ไปวัดเดียวเขาก็บอกว่าไปวัดเดียวไปวัดเดียวเขาก็กลับเลยแล้วแย่ใหญ่สุดแทนตภัยจะไปวัดใดแต่ส่วนวันที่หนึ่งวันที่ยี่สิบเจ็ดอีกไปอีกวัดนิโคทาร่าวัดหลวงปูอ่อนวัดปุญญานุสรวัดปุญญา นุสิตวัดศิริสารวันวัดถ้ำกองเพนวัดโพธิสมพรอันนี้หกวัดไ ป, ไ ป, ปวันที่ยี่สิบเจ็ดขึ้นหนึ่งคำอันนี้เปิด น, นัดคาวะตามวัดต่างๆในพันศาแต่ว่าของวัดเท่านี้อำเภอบันผือเันนคยมาทุกปีนะอันนี้ก็เป็นวันที่ วันที่ยี่สิบเจ็ดคือกันวันที่ยี่สิบเจ็ดวัดเท่าเป็นวัดที่หาคงจะคำคำพอน่ะโดยมากวัดสุดท้ายเพราะวัดสุดไทยเนี่ยเพิ่งเกิดพ่อคาร ว, ว, ว่าเลวก็หลวงพอบอกยังให้ฟังแลยกัเพิ่งก็แยกใหญ่กันกับบ้านเมืองคารว่าเอาวัดหลวงพ่อเป็นวัดที่แรกว่าฮะนี่ยแพ่อหลวงพอบ่าวไลา่กัน เวานาน่นพวกเขากิดยานมันขาดมองอื่นมากอันนี้เป็นวัดทุดไทยคาวะนนเป็นประเพณีถกปีหมุนว่นเวียนกันอยู่นีนะ่แต่หมื่ว่านคณะตำรวจอำเภอหน้ายุ่งกับคณะสัทธาญาติโยมมาปลูกต้นใหม่ใส่สะทีห้าหลอก ขะของลงตานมันคนขดสะเนี่ยลอกซะมันไปมันตื่นเขินมันแหงหน้ามันแหงก็เลยขดขืนมาแลวกันนั่นโยมเถ่าแก่ผนบ่าเป็นวานเข่าต่างหลายกระสอบเลยใส่ขอบมันเพื่อให้มันยึดฟังบอเห็นดินทลายบอเห็นดินมันไหลช่วยได้ในระดับ หนึ่งรับดีที่เดียวแล้วลงพอเคยเห็นนะพอเขางอกเกิดขึ้นมาแล้วก็ยึดดินผลตกขนาดใดขนาดนึงมันก็หากเขามันก็จึดผิวดินไหวแต่ว่ามือว่านเขารู้สึกว่าปลูกต้นไม้แต่เยอะอยู่ลงพอไปเห็นไปเบิงเบิงตอนเย็นไปดูผลงานของลูกหลานพวกประดูมักข่าตะเคียนทองไม้สักไม้ หมากใหม่ผลโดยเฉพาะอย่างจริงตนปลามปลามโอ้แถวยาวเหยียดเลยมันเทมันถึงสิบสิบไรได้สะหน่วยนะเนี่ยเขาวัดเพิ่งสิบไรสะหน่วยนะเนี่ยทางโกนของมานหนึ่งประมาณแปดสิบมั้งทางกว้างนะเา่าเท่าไหร่บ้างพ่อก็จำเ่าไหรกว้างแปดสิบแล้วก็ขอบขึ้นมาก็ว่า นาจะอยู่ได้นั่นเพราะสมควรอยู่แต่ว่าถึงอย่างไรต้นใหม่อยู่ในขอบของมันอีกสักปีสองปีลงพอว่าหมืดขึ้นมดน่ะทางใหม่ใหญ่ก็อยู่ทางนอกแลก้วก็บพวกหมากวาบ้างมากเมาบ้างมากให้บงังมากส้มพู่บังหมักมีมากม่มกมวงอะไรคือยังเอาลงหนวดด้ ไปปลูกให้มันเต็มสําหรับเลี้ยงสัดหลวงพอเนี่ยเป็นห่วงเป็นห่วงเรื่องสัดพวกกรหอกกระแตพวกเลี้ยงข้างบางชนิดพวกนกต่างๆนา่าหน้าชนิดที่มันกินผลลหมากหลากไม่กันนักว่าเห่าปลูกแต่ไม่ดูไมคายางเดี่ยวแล้วสัดนกเนี่มันจะกินอย่างเพราะว่า บริเวณรอบวัดของเฮ้าเป็นหลายหล่อยหลา ย, ลา ย, ลายพันไรที่เบิงเบิงเลยมันมีแต่สวนย่างทั้งหมัดเป็นปาใหม่เศรษฐกิจทั้งมัดที่แต่เป็นต้นใหม่ที่จะเป็นอาหารของสัตว์ทั้งหลายเนี่เบิงเน่ยบอมี่เน่ยในวัดของเฮ้าทีปลูกแต่ไม้ดูไม้คาอย่างเดียวก็มัน่นอาจะถูกลงพอวะ่ะ พวกเข้าหน้าจะปลูกพวกผลละหมากหลักใหม่ผสมประสานกันให้เป็นธรรมชาติแล้วก็พร้อมกันกัมีสะมีน้ำน้ำของเข้าสมบูรณ์ในวัดของเขานี่สมบูรณ์มากเรื่องน้าําพรล่ําล่างเลยผ่านกลางวัดบางหม่องถึง3 m, าเมตรเพรความลึกของน้ำกว้างขวางอีกถึง 20- 30เมตรเพราะนั้นเรื่องน้ำในวัดของเขานี่สมบูรณ์บริบูรณ์ เรื่องน้ำแล้วก็เรื่องน้ำบาดาลครับเป็นไปได้น้ำซ ะ, ะที่มันแห่งก็คือน้มสะที่หลอกข้องน่ยคือน้ำสะนกเป็ดที่ลงตาเพินคุดตะว่าตะกรนที่ลงพอสีห้คุดเนี่ยมันเป็นน้มซับไหลออกมาจากพื้นดินหลวงพ่อเองก็หมั่นใจแล้วว่าบ่อแห่งแน่จึงได้คุดสมัยนั้น หลงตาซอยมาตั้งหลายแสนเงเงินสมัยกันนั่นนะหาหกเจ็ดแสนนะสารนวยนี่นะน้ำก็เล็ดหลใสเพราะปนนมม้ำมะพร้าวนะไปเพราะมันน้มออกมาจากไตดินเลยเหมือนกับ น, น้มบอลนะต่อมาไปไหนย่างน้ำแห่งพ่อหลงตาจากไปนกเป็ดก็มดนกเป็ดล่งไปไหนมันแห้งสงสัย ก็แม่บอกภาษาหลวงพุจามเพิ่นก็จะว่าพญานาคใหญ่หม่องมั้งตะกอนพญานาคประจําอยู่นี่บานเนี่พญานาคใหญ่หม่องใหญ่ทีน้ำก็เลยแห้งฮพราแห้งเฮ็ดจังใดล่ะทิถมก็จังใดหลวงพ่อก็เลยบอกให้ทหารปีนี่ถ้าเลขขอทหารเขาเป็นผู้เดินเดินเรื่องเองบอกแม่หลวงพ่อเดินเรื่องเนี่ย ทหารเดินเรื่องทาง อ, อ, อบอตอขอมาทาง อ, อบอตอบ้านก้องก็เลยได้เงิน อ, อบอตอะจ ะ, เ, ะเป็นได้ตัวไหนเฮาับโหน่ะเิ่นก็จะหายมาเลยมาขุดซะด่วยนี่ล่ะทหารเป็นผูกเครื่องมือมาขุดเกือบสองเดือนเลยด้หฮักก็แล้วนะคำ<ม>เดือนเนี่ยกำลังต่อไปหน่วยอื่นอีกที่อยู่ทางใต้ลงพอก็ เบิงเง เ, งเลยค่ะมันเป็นทีทิ่งว่างเปล่าจืออ้อมันเป็นน้ำท่วมนาฝนกระน้ำท่วมนาแล้งก็เกิด้าหลวงพ่อก็เลยเอ้าคุดแทนเป็นขอบให้เ ป, เป็นขอบเป็นเขตซะเนืเ่อมื่อเป็นขอบแล้วเขาจะได้ปลูกพวกไม้ผลละมากลากไม้พวกไม้ต้นไม้จืนต้นไส้ให้มันเป็นขอบเขตดีกว่าที่น้ำท่วมมาล่าจําจามันพอกเกิดประโยชน์คือสรุปแล้วก็คือพัฒนา พัฒนาที่มันบบเกิดประโยชน์ให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมาในวัดนี่แหละตีหลวงพอ่อเหตดเนี่ยเมื่อขุดซาหลอกซาแล้วไม่ใช่ใบมันขุดซาหรอกหลอกซ า, าไปมันเป็นแหลงอยู่แล้วแต่มันน้ำตื่นเขินเห้าก็เอาดินขึ้นมาอีกให้มันลกขึ้นก่าเก่าให้มันมีน้มแล้วก็ขอบให้มันเป็นขอบเขต ไอ้คำเป็นฟังเขาก็จะได้ปลูกใหม่ตามฟังมันอีกรอบสะสรุปเลยคือพัฒนาอย่างที่พวกเข้าเคยเหตุมากบางแห่งที่ของห้องพันกไรพันสามร้อยห้าสไร่บางที่มันเคยเป็นท้องหน้าเขามา ก, ก่อนมันกน็น้ำท่วมนาฝนนาแรงกระมแต่ยาเขาก็เลยมาขุดเป็นสะกับปลูกต้นไม้ใส่ขอบทั้งสองขาง เดนี่ก็เบึงแล้วโอ้มืดขึ้นอุดมสมบูรณ์เป็นปลานี่ยแหละเท่าจะเน้นเรื่องปลาเอามอคือเขาทำไร่ปลากันเกือบหมดแล้วในวัดของเขานี่จะปลูกพกไม้ซักเป็นลักไม้สักมันขืนเลีว้วเบิ่งเบิ่ ง, งล่ะในวัดเท่าคุมเบิงเ่งหลวงพอบอกว่าไอ้ไม้สักวัดของเขานี่เป็นแสนเด้เอกันไปอีก ขั้นไผ่เก่งเนยไปนับๆมันก็ได้ลงพอวาเนะีะยลงพรว่าเป็นแสนนะ่ะไปใส่ไม่ถึงแต่ไม้สักเดียวหนึ่งขนาดต้นเสาล่ะขนาดเสียต้นเสานี่ยเอาไม้ในวัดของเฮาเลยกันหย่อนเอามปหย่อนไกลเข้ากันตัดเป็นระวังเอามาใส่ก็ได้เพอเหตุใดเพราะมันทีโพดหมดไปตัดเป็นระวางาา ร, าะระวางระวาง ทำไมใช้งานก็ได้แต่เดี๋ยวนี้ก็ยังบอดอเหตุอย่งหรอกแต่ว่าเบิ่งๆแล้วก็ทีกันไปอยู่ไม่สักในวัดเท่าพอเท่าปักปลูกสี่เม็ดต่อต้นหนึ่งบัตหามันใหญ่ขึ้นมากแล้วมันมันเอึบกันวนไปมันญยาดกันขื่นมิเตสูงแต่ละต้นเละพูดนะเกือบยี่สิบเมตรพูดนะความสูงของมันคันโูรไนโบรเซือก็อบตะลับเม็ดไปขึ่นไปวัดเพิ่งกระได้น่ะสูงอีเลี้ยววนไป ใหม่ในวัดของเข้านี่แหละอันนี้ก็คือวัดของเข้าเน้นให้เป็นธรรมชาติปลูกป่าไว้เพื่ออนาคตลูกหลานต่อไปพ่ายภาค้าอยังประเทศสีร่างกาพรักเขียวแก้วที่พระมหินเพ้นมา้างเอง มลดบขึ้นมาเพื่อบรรจุพระเขียวแก้วที่สีลังกาที่ประมาณเจ็ดลอยไล่บะสีกว่างนะเดี่ยเนี้เขายังจัดว่าเป็นมรดกโลกนะมีแต่ไมายยูไมยย่างมีแตา่ไมายใหญ่ๆทั้งหมดมันขึนในบริเวณนะ ใ, นในวัดของเฮ้าก่อนนี่แหละหลวงพอวานนะตอไปไพ่ภาคน า, นนะอาลอยปีไปทั้งนาน ไม่โ่เนี่ยมันก็จะขึ้นเอถ้าว่าคนบวตัดบวาทาลายมันนะแต่ธรรมดาโลกนันนี้โลกอันนี้อยงเขาจะไปบอกว่ามันจะอยู่ต่อไปทั้งหนาที่เดียวก็ะบาดอาจจะมีธรรมชาติร่มผ้ายุออุ้มสี่เป็นต้นออ่ะเแผ่นดินไหวน้ำหลากหลาไหลองมาจากภูเขาเนี่ยมันเป็นไปได้ทั้งหมด น, นะการมันอยู่ใดในหลวงพ่อวนะเนี่ยพวกเขาจะไปผูดด้ใดกับ กันอยากเบิ้งอาจะไปตายง่ายเท่านั้นล่ะค่อยเบิ้งหวัดเน่ยอยู่สักร้อยสองสามรอยปีพอเนี่ยหลวงพอว่าโอ้ใหม่ในวัดของเห้า น, น, า น, นี่น้าแน่แนอแต่หลวงพอ่ออยู่หรอกอยู่พ่อประเด็นประเด็นกับไปแหละมีแต่ฝากผลงานฝากฝีมือไว้ในแผ่นดินท่านน่ะอในขณะที่หลวงพอ่อยูกัพยายามดูแล ตนใหม่ให้มันเกิดประโยชน์แต่ตอทรรพสัตว์ทางร้ายให้มันเป็นประโยชน์ให้เป็นปอดของประเทศชาติให้เป็นปลาธรรมชาติลูกหลานทั้งหลายเขามาเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ว่าปลาธรรมชาติของอำเภอนาโสมหน้ายุ่งในทินนี่มันเป็นยังไรแดนขันเข า, มาเมืองเวิงวัดหลวงพ่อนี่ไปว่าฮู้เลยว่าไปธรรมาชาติแต่เก่าแก่ ดึกดำบันมันเป็นยังสี่ เ, เพราะว่าต่อไปพ่ายภาคนาม o องได้กับนั่นพร้อมพากันหยาดกันแย่งกันชิ่งกันนะตัดตนใหม่ตนใหม่ตนใดพ่อจะเกิดประโยชน์เอามัดคูมเงินเป็นผืชเศรษฐกิจเขามัดบ่ดทั้งตรงใดทั้งออมบ่อทั้งต่อหนากันไดทั้งนั่นขี่ขโมยพยโจวนไปเลยนะ พอมันเป็นของธรรมชาติมันคงจะมดไปโดยเปลี ย, ยนยะ่แต่ท่าในวัดของเขานะท่นหมนมีกำแพงล้อมรอบนะท่านหลวงตาเพินคิดบ่ท่านนะเปินบ่คิดซอยหลวงพ่อนะหลวงพอก็จิตปวดหัวคือกันละะเพราะเหตุใดออพอวามันมีแต่หัวนี่ อ, อพี่น้องลูกหลานบางคนจะขี่ดื้อเป็นบ่ละ เขามาตป๊ปลาบังมายิ่งสัดบังพระทั้งหลายจะล่าข้ามบาเนี่เอาไปมามีเรื่องมีลาวกัชาบชาวบ้านบังมีเรื่องมีลาวกับชาวบ้ า, บานเพราะแม่นแนวดีดเลยเนเพราะชาวบ้านเป็นผู้ไสบาทให้พระฉันมานทะเลาะกับชาวบ้ า, บานชาวบ้ า, บานเขาก็เอามูอเขาไว่อีกบาเนี่ยพอในสุดมาตั้งป้อมสูขพรนะนี่ยนี่แหละลงตาพลขึ้นแทนหลวงพ่อไปเลยเพลเขาเลยมาสางกำแพง คอนกรีดเสริมเล็กสูงสองเมตรหาสิฟยาวทั้งมัดหกกิโลกับเจ็ดลอยกว่าเมตรผู้ใดมาเห็นโ อ, อ้กว้างขวางแต่แต่สมัยก่อนจะมีคนมาเบาอยู่ไงลรเราไมาอยู่ในวัดของหลวงพอนะ่อเบิ้งเบื้งคือคุกมาอยู่ในมาอยู่ในกำแพงนะ มากการออมเอสออมสอมบเยอะพราะปันคุกเฮาก็ยังไหวคือจังสันแหมกันคือจังสันมันก็คือคุกนาะคุกก็คือมีสิ่งล่อมไว้แต่คุกมันสูงเลยสูงตัง้งสิบกว่าเมตรพู่นะสิบกว่าฟุตพู่นะกัมแพงคุกอันนี้เขามันกระบอสูงประัาณด อ, อกอันนี้สองเมตรหายสิบหนึ่งเฮ้าก็ต้องคิดว่าโอ้ มาอยู่ในขอบขันทศีมาเนี่ยคือเจ้าหางตางมีขวางทันไหอเจอ้าเจ้าหางตางมีเนี่ยพอลงพอลงตาพอเทศไห่แต่เดะเป็นบมดละเ อ, อมาอยู่ในขอบขันทเีมาขอบกำแพงโอ้กำแพงมีกำแพงล้อมรอบคือเจ้าหางตางมีคือวางทันไหมะจะไปห้างบอกคือคุกแไหมคือคุกแล้วมันถูกต่อว หลวงพอ่อก็วางทั น, นอันนี้คล้กันนั่นะเมื่อลงตาพ้นสางมาหายก็มีคนุปกระการยางมากพวกเข้าล่มเย็นเป็นสุขกันขู่กันค้นกันซัดช้าล่าสิงหมากมม้หลายยางเขามาอยู่ เ, เห็นหมดทั้งหน้ารถแลนสนันวันไหวบกเคยขาดนในระวังอำเภอต่ออำเภอ เ้ามาอยู่ทางในบอดด้ยินเสียงรถนี่ยมิดเพรเหตุไดเพราะว่าปลาใหม่มันหนาแน่นส่วนหนึ่งแล้วก็กําแพงวัดของเข้านี่กันเสียงได้อีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่หลวงพอบ่อแมนบ่อเนีหลวงพอว่ามีส่วนมากๆากนี่ยิ่เสียงรถก็บบได้งยินเห็นไหมทั้งที่รถมันแรนอยู่ตลอดกําแพงกับต้นไม้มันกันไหวเพราะนั้นพวกเข้ามาะแก้การ บ่มเพ่นเรื่องจิตตภาวนาอยู่ในวัดผู้ใดจะอยู่มุมใดกันเลือกได้กานว่ามันมืดกันไปเข้ากับยางไปหากุฏิทีบองวันทีลงลงหรือไปหายางเลาะกําแพงเหตุท่านยูกลมอยู่เลาะกําแพงก็ได้บองใดที่มันหลับหลับเข้าก็หาใหม่ไปผัดทั้งสน่นสองสนแล้วก็เดินจงกรมอยู่เลาะกําแพงพอดบองที่มันลงลงมันก็ได้พอเป็นยัง อย่าไปหาเฝออยู่ในกุฏิเจ้าของไหแต่หลวงพอ่อแต่แท้หลวงพอ่อก็ยังบ่ได้เฝอเลยบางทาง่านบางครั้งหลวงพอ่อออกไปหนุนออกไปนในบริเวณวัดมองไรลงโลง่งผูกเฮ้าคือกันผูกพระต้องเสะแสวงหามองไหรสงบนมองไหรที่อากาศ ป, ปลอดโล่งอย่างกุฏิของญาติโยมด้วกันกุฏิทั้งในวัดอยู่ทั้งนอก เ อ, เอายากันยุ่งไปซะหรือว่ายากันยุ่งท่าเจ้าของนะ่ยแล้วก็ไปนั่งภาวนาแบบหลวงปูแงป่แหวนหลวงปู่แหวนเพิจน์โมได้เฝ้ากุฏิเด็ดที่หลวงพ่อไปอยู่น้ำเพลนพ่อตอนเชาวมะพจนฉันยังหันพจนก็นง่วงพ่อกลางคืนพจน์โมได้นอนเลยหลวงปู่แหวนไปเห็นโเป็นผู้ตื่นตัวอยู่ตลอดหลวงปู่แหวนยามังค์เคืนมาไปนอนอยู่ในกระต่อบ กระทอมมันกระตบกระทอมนั่นคือฝาฝาคืออย่างบ้านแมวนะไอ้บ้านแมวเนี่ยมีฝาขึ้นมาจากดิ น, นแล้วก็มีกล่องฟืนอยู่ทั้งหนาขั้นหนาหนาวพันธิจุดไฟให้มันอุน่นมันอบอยู่นะก็มันเห่าในวันหันใจขาดลงไปเจ้าเพิ่งใ น, นสบายลงไปมาเ น, นี่นก็มีเตียงอันนึงเหนือขึ้นมาจากพื้นดินประมาณสักหาสิ้นยนะ มาแล้วก็มีแนวพิงทั้งหลังจึงมงหมอ น, มอนพิ่งจังลงพอนี่แหละแล้วก็มีนางที่อาชนะแล้วก็มีผ่าข้องหงผนมีกระโถนมีกาหนามแต่แนวขาดบุตรใดก็คืออย่าขี่โย่ยันไปอย่าทิ้งพวกจังไม่อย่าสูบเงี้ยๆนะเกือบคืบนึ่งนะเอามาให้ไวขางพ้นกำมึงนะ ไม่คิดตัวนึงไปอ้ย่ามขึ้นเมื่อคือหันหลวงปู่หลวงปู่คือบ่มีหม่องนอนกับผมเขาถามเพิ่มวันไปหลวงปู่คือจะบ่มีหม่องนอนคือมีแต่หม่องนังกับผมไปหานอนให้ยังนอนมากติดพติดชาดมาเน็บบวโลกบวชาวกกี่รลอยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาิล่ะไปห้าน้อนยังกระอก็เดียมันอยากลับมันได้แค่มันลมมันมันก็รับนัวไม่หายเหตุที่มันนอนยังคักแถบไปว่า โอ้ข้ามถอดลงปูฟั่งไปในะลูกหลานเนะ่เ้าถามลงปูหน่อเออแปลว่ามองนางไปเนี่ยมันสีนอตมนได้ก็ไดเอ็นก็ได้โ่ไ้กรดเดา่ปไปอยู่มองงานก็ไปแปลว่านางนางเป็นผืน ม, มันไปบางเมื่อก็ะจับมาสูบบุรีขี่โย้หน่ไปอยู่บุรีเชียงใหม่ใบตองกลวยอ่อนเนี่วเป็นคืบนะเอ่อมันก็สูบนะนัน่นแหะบาดาร์้จมมือาสามันก็ชันนั้นนะ ไปชันจังหันเซรามิคก็คือกุติบาเน่กุติของเพิรนมีหลังหน่อยๆหลังหนึ่งนะเปิดประตูนาตาแล้วเอาเพิร์กเพิรนก็ไปพักแล้วบาเน่ไปพักยังเว้นเพราะฉันยังหันแล้ขึ้นไปพักพ่อไปพักแล้วเขาก็พ่อทรงเพิร์กุติเนี่ยขึ้นเข้าก็ไปเตรียมนม้ำน้ำใส่กระมังใส่กระมังก็มองได้ตาแดดกัอนออกไปตาแดดมันอุ่นน่ะใส่กระมังสองสามกระมังสองกระมัง่ะ กระมังไงตักหนาบใจกระมังนม้มแดดมันก็นเผาเผากระมังเป็นกรเป็นน้าอุ่นนะพอตอนบ่ายเนี่ยบ่ายโมงกว่ากว่านบ่มีไผ่เด้อยู่ตรวัดรอยไม่ปังมันบ่มีไผ่มันเงียบอิหลีมีแต่หลวงหลวงพ่อเนี่หลวงปู่หนูกับหลวงปู่แหวนสามองค์อยู่ํำกันเห่าในท้านาทีเป็นเน่นอยปปฏิบัติเพลินต้มนำห่อนตั้งแต่ตีซี่ ใส่กระติกนามสามสีหนวยให้พ่นได้ฉันยงมือเศรอบผมแงมือเที่ยงแล้วก็ยงมือแรงฮะแล้วก็ต้มอีกแล้วมืออื่นมาต้มอีกยงมือแรงไ่ได้ต้มแล้มือแรงต้มแต่แงมือเศ้ามือเดียวใส่กระติกสามสี่หานวยบัดละพ่นสีใส่หนำชาก็ะุดแทนแต่ตรถวายหลวงปูหนูถวายหลวงปูแหวนองละสองกระติกแล้วก็ไว้ทีซาลาอีกสําหรับล่างมือเพ่น นั่นาจกจัดอาสนะทีพักปัดกวาดทำความสะอาดือทํานาทีเน้นเน่พอผมมีผมมีผู้ใดเดยยังมือเศร้าขนขึ้นมาจังหันพอตอนบ่ายพอบ่ายโมงโคกว่าเนี่ยพ้นก็นได้ผ่าอาบน้าพื้นนึงอ่าแล้วก็มียาขี้โยยาเนี่ยสองสามม้วนก็ไม่ขีดไฟอ่าแล้วกับ เขาเอื่นสุดตัวไปสุดหนึ่งคือสุดไหล่หินไหลลินคือผ่าจีวรเนี่ยผ่าอับน้าอับเปลเนี่ยพื้นไหนมันขาดมันจะมาฝันฝันฝันให้มันคือกันกับเขอาห่อฝันเสือกเน่ยมันก็ใหญ่โตหัวปุมืดลงไปพ่อไปหอดมองได้ผลสีนังผนสีนังภระวนาพระก็เอาปดผ่าอาบน้ามู่ทั้งหัวเน่ยปัดลอยไปขันยมว่าไปยู่ไปเห็นกุติหลังไดที่ พ่อขึ้นนั่นน่ะเพิ่นขึ้นไส้ผ่าหน้ามปัดปดปัดปดปั ด, ป ด, ปดเสร็จแล้วก็ปูล่ะพอปูผ่าหน้าเสร็จแล้วก็เอาเนี่ยเอาชุดที่ว่าน่ะที่ผ่านี่ยนะที่ฝันนี่ยเอามาไฟจุดะพอจุดก็ย้อนลงไปมันก็ควันทอยถ อ, อยมันไหลไห ล, ลเห็นไหลยุ่งนเนี่ยผดเยอันคือกินมันขิวนะ่ กินมันขิ้วผ่าไฟไหมผ่านะ่ะมันคิลวไนะอ้พวกยุ่งพวกหินเขามาใกล้บ่ได้แล้วเนะพื่นก็นั่งพาวนานะเลยไอ้คอคดตัยงอยหลวงปูนะ่นะเข้าไปซองซองบ่เพินเ่นเหตุอย่งใดไอนะ้เอพื่นก็นั่งจังสันเกือบครูมือนะเลยเพื่นเอาแบบนั่นนะไปหามามือหนี่งไปนั่งลังนั้นมือหนึ่งไ ป, ปนั่งลังนึ่งเพื่นไปเพ่นบ่ได้เฝ้ากุฏิเพื่นนี้ ไปแต่ละหลังน่นไปย่ายล้างนันย่ายล้างนี่พอแล้วก็ตอนไปใบไก่คำลุกมากแล้วยางลงมากมาวกุติมากระเดินโย ก, กลมเดินยยงกลมแบบายางเพิ่มเว้มเพิ่มเวิมเลยยางลูงปูแหวนพันยางแบบเอียงเอียงใส่ใส่สักหน่อยหนอยไปหอขดข ด, ข ด, ขดช่ไหมาบแล้วก็พอได้เวลาใบาซีโมงโกก่าสงนาม สงหนามก็บสงถิ่ที่เท่าแช่หนามที่เท่าเอาหนามใส่กละมังไว้น่ะที่มันตากแดดนะแนนหมจากการเท่าก็บสงหนามเพิ่นทูหลังทูไรเพิ่อ น, นอันนี้คือเป็นประเภทนี้พลอย น, นันแหมเทาเนี่เคยเป็นเน่ยหน้อยมาก่อนเคยปนิบัติคูบ่อาจารย์มาก่อนอาบน้ำอาบทาเพิ่นเช็ดหลอดเก็บผาเก็บเพราตากผาเรียบร้อยเพิ่นก็เดินยังกรมละบ้านไ้พวกเท่าตั้งแต่ใบาสามเท่ากับปัดกวาดกะหลงปูหนู ก็ปัดกวาดเศษเร็วๆก็เพิ่นกิดพอแล้วก็มาสงนางเพิ่นพราะนางสงนางเพิ่นเพิ่นก็เดินโยกบ่มตอล่ะกระเดินโยกบ่มตอละเข้ากับไปหาอาบน้ำของเข้าล่ะบ้านเนี่ยทำกิจธุระก็เดินอยู่ ก, กบาา่ม เ, เกกเกมเข้าขึ้นกันพ่อวนาของเข้าขึ้นกันบ้านในบางที่ใกล้คาเพิ่นก็ บ, บอกโต๊ะโต๊มาเป็นหมอเสษนนะเข้ากับเข่าไปกันเพิ่นบ่อห้องก็เข้ากับวันได้เ ข, าข่าแต่ขนาดดันล้มปูหนูเพิ่นยังบอกอยู่ ไอ้ตุ๊อย่าไปห้ายุงกับหลวงปูไดแด่คนบวมแขนได้ขน่อยว่าอพอหลวงปูเพลันเอื่นเอื่นกับผมได้ขน่อยผมยังได้เข้าไปว่ะเผลนว่ามานวดไหล่ให้เข้าเนี่ยเข้าปวดข้อนะขหน่อยยังเข้าไปวะเออนี่นหละนวดเพื่อนวดยังเกิขึ้นนั่นแ่ะน้ามันกวางลุ่งเนีเอยน้ํามันกวางรุ่งเนี่ยแหละเขาท่าท่าท่ า, ทาใจมือเพลินแล้วก็ น, นวดใจข้อเพลินแลยกับใจไหล่เพลินเก็นวดนวดนว ด, นวด พันยังหยกยงอยอยูย่เล ย, ย, ยพัน oh, มือของตูเนี่ยอ่อนพันว่าอา่ อ, อนนิ่มมือของตูเนี่ะพันว า, oh. างนี้พอนวดเสร็จเรียบร้อยเออเอาปะไปซะเอาก็ไปอพันก็พักพ่อนนี่แหละอันนี้คือการอยู่กับหลงปูหลงตาหลงปูแหวนบางที่พันกระบ่เรื่องเกาเรื่องแกเรื่องยังให้ฟังเอคือกันนั่น ก็สมัยก่อนเข้าไปประเทศพมา่าเป็นยังสั่นเป็นยังสี่เพิ่งกว่าให้ฟังอพ่อไปฮอดเมืองพมา่าเลยบินธบาตบุคือเฮ้าได้ะบุคือเฮ้าได้บินธบาตเมืองพมา่าเมืองนึงเขาไปฮอดเมืองพมา่าเหตุสภาบินธบาตเท่ากับไปบินธบาตนําเขาพ่อบินธบาัแล้วเข้ากับยางในถนนแล้วคือกันกับเมืองไทยนะบ่กมีโพดัยไซบัตเม็ดเยดีอยู่คนว่า ไปในพวกพระพม่าในี่ยพ่อบินธบาตแล้วเขก็มาฉันมองไหนมีน้า ม, มองสวนหย่อมมีล้านหยาเนี่เขาก็มานาั่งฉันที่เราองค์สององค์ฉันใช่แล้วก็ก็ฉันน้ามี่างบาดแล้วก็เขาก็เขาวัดไปเข้าโบามีเข่าแล้วในบาดยางไปบัดมีพระพระม่ามาบัติเขาก็คือจะเห็นพระองค์นี่มาตตาใสเขียนว่านะ่บัเขาก็เลยซี่เสียบาดเข้า เปิดโปนู้นกันเปิดโปมีเข่าปเนียบอลโมีเข า, เ, เ, ขาเขาก็เลยบอกว่าปะน้ำหลังเขาชี้ผ้าบทะเนี่ยนีพระพม่ า, มาเขามีน้ำใจอด้วยคนบอหา้าใบทหละมันบเป็นสันนะพุทธะขนเฮื่นเขาพนเอาสัน่มองเฮื่นคั่วเขาพนนะ่ะเขาไปังเฮื่นคั่วเขาปะ่นี่มันมีมองไซบาดจุพุนกุสันบนว่ามองเขาไซบาดมองไซบาดจเุเฮื่นคั่วเขานะ่ะตั้งหมใช่ปนเขาไปเขาก็ไ่ ก็ไซร์เลยกัล่งจากบ้านลังนี่ยก็ไปบ้านอีกลังนั่นองอีกขืนอีกปุ๋นวะพอขืนอีกเขาก็ไซร์กขืนบดเขาเด้เขาิมนวขืนเพื่อนเขาปุนนะทั้งลงวนะัวไปแทั้งหลังบ้านเขาปุ๋นนะอพอไซหอดสามบ้านพระพมาอางค์นั้นก็บเบิงบอพ่อกินแล้วป่า น, นื้เออไปนเขาจะได้เฮากัเลืได้ไปเลได้สันเขาอันนั้นแล้วมือ น, นั้นเขโอ้ ประเพทนี้มันบวกขึกันนะครับมันเท่ายางในถนนนั่นแล้วนะมันบมได้กินแลเราบรอนารหมดได้ฉันจังหันแล้วพ้นวะนี่แหะอันนี้เป็นการวอรให้เห่าฟังเห่ากัอื้งเนี่ยประเพทนี้มันแตกตกต่างกันว่าลงไปพอเห่าใดเข่ามาแล้วเห่ากับไปหาฉั้นมองที่เขาว่าเนี่ยมองสวนยอมมันมีกอกน้านะสมไมนะอังกฤษปกครองอปกครองเมืองพม่าเด้นอเขาเห็ดสวนยอมเขาเห็ดกอกน้ำไว้ เข้าก็ไปนั่งแลยเขาไปชันตามที่เขาเขาชันนั่นแหละพอชันแล้วเข้าก็ได้เข้าก็เดินทางต่อไปอีกคนะ น, ะนะ่ะนั่นไปกลับถาดเมืองย่างกุ้งน่ะถาดนั่นะที่เขานั่นแหละที่เมืองพม่าเขานั่นนะเข้าก็กลับมากนะอันนี้แหละคือพันเบาอย่า ง, ง, งห้ฟังอนั้นแหละก็เข้าก็ถามโอรุลงปู่ ก็ผมเห็นหมอหนึ่งอย่างเนี่ยอยู่ค่างที่ค่างเนี่แหละมุ ง, ง, งค่างค่งขุดลงปูนี่เขาขุดเห็นแต่ปากหมอมนหมออย่างปูอ่ะโอ้พระตายตัวคนนี้เนี่ยพระตายนี่อยู่นีมีตัวนึงหมอหมอนั่นแหละเป็นอย่างยั่งตายแหละเขน่อยว่มันมีพระยุทธมกันสององค์เฮาก็ยูจํามันสาจูเนี้ ย, ยจยยยูใก ล, ใกล้แถบนี่แหละแต่กับวัดอายุในนี้ มีพระสององค์มาพุนะมาจากทั้งไหกระบโห่หรือมาทั้งสงใส่จะมาจากบ้านเฮ้าคนละทั้งอีสานคนนะมาหรือมาอยู่น้ำกันองค์หนึงเป็นไข่ไข่มาลาเรียไขย่ยางนักเลยวันไปบาด้าแล้วองค์นึงก็ะดูกแร่บาด้าองค์นึงดีขึ้นแล้วบาดนี่ยกาลังอยากกินนันอยากกินเนวอยากบาดแล้วเขาบัตใจกล้วยมากเลยกล้วย กวยงาวกวยหอมท้องนะนวลงาวเป็นคืบมาเป็นวีมาแล้วไปไอ้องเนี่องที่ป่วยเนี่ยวะโอ้ยยังไงก็าให้ฉันกวยแท่าไน่ยังไงทางองที่เป็นมูองเพื่อนโหยากินนะจะฉันนําม่ไรนะตายนะเขาว่ากินกวยเนี่ยตายเลยวะ่านเนี่ยยานะยาชันนวันโอ้ยตายก็เป็นยั้งว่านเนี่ยตายก็ผมตายวะท่านเ่ยบุแม่ท่านตายอบทางองนี่ห่วย ว่าบ่ฟังความกันยังสิกะมันอยู่ทุ่มกันบ่ได้เดว่าสันไหวท่านสีไปไซกับไปได้แม่ผมอยากแม้ว่าสันไหวกันสั้นก็อยู่ทุ่มกันบ่ได้แล้วก็กินก็เห็นกันตายต่อหน้านีผมหนีเดียวสันขั้นท่านสี้ฉันเนองเนี่เอาหนีกะนี้เพผมอยากเพราะไงองนี่ก็เลยสันพ่อสันองค์นี่ยก็ออกจากวัดอาตลาดเล่มาในพันสาวนั่งไปจากแมนไปไซมาเอาไปมาองค์นี่แล้วกินเข้าไป สักเด่นสักก่อแล้วตายอิลีก็เสียเหมืนว่าพระองค์นี้นะเพราะตายว่างนั้นก็ไปบักไงแล้วว่าไปบอดีเลี้ยวหลังเลยเ อ, อพระคนอื่นพระที่อื่นก็เลยมาเผามาฟังกันมาเผากันนี่แหละองค์นี้แหละกระดูกองค์นี้แหละโอ้หลวงพ่อได้างนหลวงพ่อก็สะสลดใจในจิตใน ใ, นใจขึ้นกันออืกระพระองค์ที่กินนี่ก็เกินไปห้ามเจ้าของกบอรบบไดใ เห็นแกปากเห็นแก่องเห็นแกหลียญบอกฟั่งมูฟั่งเพื่อนดันทุ่ลั่งจนสิตายก็บอกว่าคันตายเลยคือแม่นยู่คันตายเลยเจ้าของเผาเจ้าของใดอันนี้ก็ต้องอาศัยมูให้เผาอีก อ, อก็ต้องฟั่งความมูนะครัมันจะค่อยแมน่นไอ้อง์ที่ไปก็เกินไปลงพอก็ว่าอีกคนลงไป อ, อมีน้ำจิตน้ำใจดั่เกินไป ก็ธรรมดาก็ข้นอยากก็ธรรมดาก็หามปามกันอลไรก็ให้กินนิดๆหน่นอยๆเลยก็ฟั่งดูแล ก, กันก็ยังไข่ต า, ายกันเผากันก็ยังไข่ยอยู่อันนี้ไปแบบชุดตรงสรุปแล้วก็คือพอปันตะวันาาลงพอวันพ่อปันบาไม่อยอมการวนไปผูหห้หนึ่งชุดตรงหนึ่งผู้หนึ่งชุดตรงหนึ่งวนไปบ่มีการยืดจุนต่อกันเออเป็นแบบนี้ลงพอโอ้น้าคิดว่าหลวงพ่อดี เย่นจากล้มปากล้งปูแหวนนะคนบอกให้ลงพอฟั่งนะลงพอหนวดบ่าคนก็บอานั่นบาเน่ฟังแต่คนฟ้าให้ฟังโอ้หลายแนวกันลงพอจีบว้สุดมืดกูน้นเนี่ยคือจะ บ, บรดิษันอย่างอานดอกบนนี่เอาหลับพอนะ